คงจะมาสู่ที่นี่ด้วยเรื่องศึกษาของจริงในชีวิตเแต่ถ้ามาวิธีอื่นเรื่องอื่นคงไม่มีใครมาที่นี่หรอกเพราะว่าที่นี่มันก็ไม่มีอะไรนี่ยแต่ป่าดงพงไพ่หลายหลายอย่างที่ไม่เหมือนกับที่อื่นแล้วก็ ที่จะศึกษาชีวิตที่จะให้ได้พบเห็นของจริงก็คือเรื่องของกรรมฐานเรื่องของกรรมฐานก็เป็นเรื่องของการกระทำการกระทำก็เป็นการกระทาในตัวเราเองไม่ใช่ทำแบบงานโยธาไม่เหมือนกับการศึกษาภาพใช่ มันสมองใช่วัตถุอันอื่นมาประกอบเอากายเอาใจเอาสติมาดูมาทํากับมือของเรามันหลงก็เห็นความหลงด้วยมือของเราด้วยการลูปคํำความหลงดูอาจะเป็นความรู้สึกกับรูปคํำความรู้สึกดูเหมือนกับเด็กน้อยไม่รู้จักไฟ พอเห็นไฟก็คานเข้าไปหาแล้วไม่รู้ว่ามันร้อนหรือมันเย็นแม่พ่อก็ดึงเอาไว้ไม่ให้ไปจับไฟแล้วก็ยังคานเข้าไปอยู่แต่เมื่อเด็กน้อยนั่นได้จับไฟดูก็ก็จะรู้ว่ามันร้อนเขาก็จะไม่เอาอันนั่นเรียกว่าได้สัมผัส สัมผัสตัวชีวิตของเราแต่ก่อนเรายังไม่ศึกษาไม่สัมผัสกับความแท้ความแท้ความจริงก็ จ, จะไม่ไม่พบไม่เห็นแม่เห็นก็เห็นโดยความคิดแต่ก็เห็นเจ่นเห็นเช่นทุกข์ก็ยังมีทุกข์สุขก็ยังมีสุขหลงก็ยังมีหลง แสดงว่าไม่ไม่ได้เห็นไม่ได้ทํากับมือวิธีที่ปฏิบัติเนี่เป็นวิธีที่สัมผัสสัมผัสกับความรู้สึกตัวไม่ต้องไปเกี่ยวกับความคิดเห็นเหตุผลอันใดเอาความรู้สึกตัวมาต่อกับกายกับจิตใจ ให้ได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวโดยตรงจนรู้รสชาติของความรู้สึกตัวมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เห็นเรายกมือสร้างจังหวะโอเรายกมือถีดเคลื่อนไหวไปมานี่ก็คือความรู้สึกตัวเคลื่อนข้างที่หนึ่งก็รู้สึกตัว ตลอดถึง 14. รูปแบบ14อริบท14บบัพพะแม้จะเป็นบัพพะต่างกันยกไปยกมาก็คือความรู้สึกตัวแต่ว่ามันมีจังหวะเพื่อให้ลาดับลานาไม่ใช่รูป ก, ก่อนรูปหลังความรู้สึกตัวที่เป็นการสัมผัสคือสัมผัสตรงๆเ ป, ปจจงเป็นปัจจุบัน ตั้งไว้เป็นปัจจุบันหัดให้มันเป็นปัจจุบันปัจจุบันนี้ต้องมีเทตตั้งต้องมีการลำดับลำนำได้สัมผัสกับความรู้สึกตัว14ครั้งรอบอีก2รอบ3รอบ4รอบหลงไป ก, รก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวได้สัมผัส ไม่ใช่ไปคิดด้วยเหตุด้วยผลไปรู้สึกตัวจริงๆอย่าไปเอาเหตุเอาผลมาแยกมาแยะทำใหม่ๆบางทีมันคิดแลนไปทางอื่นแต่ก่อนนี้ทำอะไรมันเอาความชอบเอาความไม่ชอบเอาความขายันเอาความขี้เกียจ เอาความผิดเอาความถูกเอาความสุขเอาความทุกข์เอาความสะดวกเอาความยากความง่ายไปเกี่ยวข้องบัดนี้ไม่ต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมาเกี่ยวข้องมีความรู้สึกตัวโดยตรงมีความรู้สึกตัวโดยตรงมันสะดวกก็รู้สึกตัวมันไม่สะดวกก็รู้สึกตัวมันผิดก็รู้สึกตัวมันถูกก็รู้สึกตัว มันจะมีความชีดเห็นว่าชอบไม่ชอบก็คือความรู้สึกตัวโอกว่าที่จะผ่านไปถึงความรู้สึกตัวนะ่ะมันก็ทำให้หลงพอสมควรแต่ความหลงนั่นแหละมันเป็นเหตุทำให้เราเข้าถึงความรู้สึกตัวมันจึงจะต่างกันกับอย่างอื่นเช่นเวลาเดินจงกรม บางทีไปจัดสรรจัดการกับสิ่งอื่นจนไม่ไม่รู้สึกตัวกม็มีเหมือนกันพอเอาจริงๆโอ้ก้าวไปลู้ก้าวไปลูโอ้ 9, 9, โอมนคือตัวลู่ตัวนี้ก้าวไปเพื่อให้เกิดความรู้จึงจะเป็นการเดินจงกมที่ถูกต้องยกมือเคลื่อนไว ให้เกิดความรู้สึกตัวจึงจะเป็นการสร้างสติจริงๆโอ้ oh, มันคือตัวนี้ตัวนี้ก็จับให้มันถูกอย่างนี้นวิธีการเจริญสติอย่าผิวผิวเผินเผินแต่ว่าไม่ใช่เพ่งไม่ใช่จ้องความรู้สึกตัวไม่ได้เพ่งไม่ได้จ้องเป็นความรู้สึกตัวเป็นของที่เบาเบาเป็นของที่เรียบเรียบเป็นของที่สะดวกสะดวก สะดวกแบบความรู้สึกตัวไม่ใช่สะดวกแบบความคิดเห็นสะดวกแบบความคิดเห็นไม่สะดวกแบบความคิดเห็นมันเป็นเรื่องหนึ่งถ้าสัมผัสกับความรู้สึกตัวเนี่ยโอ้ความรู้สึกตัวมันความรู้สึกตัวนะ <c oughs> ก็เข้าถึงความรู้สึกตัวจริงๆเหตุที่จะทำให้เข้าถึงความรู้สึกตัวมันเพราะเพราะมันมีรหลายอย่างวัดดูเปรียบดู มันจึงเป็นเหตุให้เห็นความรู้สึกตัวชัดเจนต่างกับอันอื่นสิ่งอื่นที่ปกปองคุ้มไว้คุมไว้พอเราได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวเวลาเดินจงกรมกวไปรู้สึกตัวกวไปรู้สึกตัวมันเป็นเบาๆความรู้สึกตัวมันก็จบโม oh, มันถึงเท่านี้มันถึงเท่านี้มันมีเท่านี้ โอ้เราจะต้องตามตัวนี้ลองดูจะ ต, ต้องสร้างตัวนี้ลองดูก้าวไปที่หนึ่งของรู้สึกตัวได้สําเร็จแต่และก้าวสาเร็จด้วยความรู้สึกตัวหรือยกมือสร้างจังหวะรีบดแต่ละรีบดได้่ยรู้สึกตัวโอ้มันสําเร็จมันสําเร็จมันสําเร็จการใช้รูปแบบมันสําเร็จเข้าถึงความรู้สึกตัวเข้าถึงความรู้สึกตัว แล้ Jana, เวลาใดที่มันหลงไม่ใช่ความรู้สึกตัวอ้มันก็สาเร็จกับว่าหาความรู้สึกตัวได้สำเร็จได้สำเร็จเป็นประโยชน์ความหลงก็เป็นประโยชน์ทำให้เกิดความรู้สึกตัวอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวเป็นฐานทำห้เกิดความรู้สึกตัวได้ทั้งนั้นพอหลักของความรู้สึกตัวตเป็นการกระทาด้วยมือด้วยการการะทาของเราก็มั่นใจมั่นใจ มันจะเป็นอะไรก็ก็ไม่กลัวแล้ววะเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเรามาสร้างความรู้สึกตัวมันจะหลงก็ไม่กลัวมันจะสุขมันจะทุกข์ก็ไม่กลัวมันจะห่วง เ, เหงาหนอนก็ไม่กลัวมันจะคิดลังเลสงสัย่งสานก็ไม่กลัวเอเราจับหลักตัวนี้ได้แนละ้วคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนะเพราะความรู้สึกตัวนี่ คล้ายๆก็ว่ามันเป็นทางมันเปิดทางมันเหยียบแลนกับเราเดินไ้เหยียบดินมันมั่นใจไม่เหมือนเหยียบอากาศเหยียบขั่วเหยียบหนามมันหนักแน่นดีทำอะไรมันมั่นใจมั่นใจในการกระทำการกระทำตรงนี้นะจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้ให้เป็นการเข้าให้ถึง ชีวิตของเราทั้งหมดเอามาทำเอามาประกอบให้เกิดความรู้สึกตัวโดยเฉพาะรูปแบบของวิชากรรมาฐานตามบัพพะต่างๆสาเร็จจริงๆก็มีเท่านี้จริงๆชีวิตเราเพื่อการนี้โดยตรงเพื่อความรู้สึกตัวเพื่อความรู้สึกตัวไม่ได้เพื่ออย่างอื่นอย่างอื่นก็เพื่อการนี้ความหลงก็เพื่อความรู้สึกตัวความ อะไรก็ตามมันคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นตัวเฉลยเพราะมันเป็นธรรมที่สุดสัมผัสแล้วสัมผัสแล้วแต่สัมผัสกับสิ่งที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวมันก็มันก็เปลี่ยนไปเองมันเปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัวไปเองเหมือนเด็กน้อยจับไปมันก็วางไปเองถ้าไม่จับไม่ถูกไปไม่ธรรมดาจับจับของ อันไหนที่มันสัมผัสได้มันก็สัมผัสอันไหนที่มันสัมผัสไม่ได้มันก็ไม่สัมผัสอันนี้มันเป็นภาคปฏิบัติถ้าจะเปรียบความรู้สึกตัวเหมือนเด็กที่ยังเกิดใหม่ๆกำลังหายใจละเอียดกำลังปรับปรมหายใจละเอียดลมหายใจที่ละเอียดถ้าหายใจไม่เป็นมันก็กาจจะร้องไห้ไป ต่ลามันหายใจไม่เป็นอาจจะร้องไห้ไปสังเกตดูถ้ามันหายใจเป็นมันหายใจละเอียดมันหายใจถูกต้องสำเร็จแล้วก็ค่อยหายใจไปค่อยหายใจไปเหมือนก็ได้ชีวิตขึ้นมาความรู้สึกตัวมันกับให้ชีวิตเ่าันไม่เป็นอะไรมันพอดีพอดีเกี่ยวข้องกับเสียงใดไม่ความรู้สึกตัวเกี่ยวข้องกับเสียงใดไม่ความรู้สึกตัวความเป็นจริงมันต้องเป็นอย่างนี้ เห็นกายก็เห็นกายจริงๆกายที่มันแสดงออกอะไรก็รู้จริงๆรู้เท่ารู้ทันโดยเฉพาะวิธีกรรมาฐานบัพเพ็ที่เราสร้าง14จังหวะมันก็เหมาะเจาะเหมาะสมเหมาะสมที่จะเอามาผิดความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมีขึ้นเรื่อยๆชำนิชำนานขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกตัวกับกายมันก็เป็นของจริง ความรู้สึกตัวที่เกิดเกิดกับจิตต้องกับเรืนของจริงอยู่บนฐานของความจริงอยู่บนฐานของความเท็จแม้กายมันจะมีความเท็จเมื่อจิตใจมันจะเกิดความเท็จอะไรที่มันปรุงปรงแต่งแต่มันก็รู้สึกตัวมันก็เปลี่ยนได้เอากายมาสร้างความรู้สึกตัวได้สำเร็จเอาจิตใจมาสร้างความรู้สึกตัวได้ ส, oui. สำเร็จมันหลงก็ทําความรู้สึกตัวได้สาเร็จ แม่จิตตาหูจมูกกลื่นกายใจอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเป็นฐานของความรู้สึกตัวได้สําเร็จมันก็ไม่เอาความหลงแล้วก็ได้ช่องได้ทางสัมผัสกับกายโดยความรู้สึกตัวจริงๆมันก็ไปเห็นเห็นความเท็จของกิงของกายของกิจเห็นเป็นรูปประธรรมเห็นเป็นนามธรรม เห็นเป็นลูกมาทำเห็นเป็นนามมาทำมันก็ยอ่อลงมายอ่อจากสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเมื่อสมัยเราทำใหม่ๆความลังเลสงสัยความงงเหงาหนอนความคิดพุ่งสานก็จะบาทราคะที่มันเกิดขึ้นนึกว่าตัวว่าตนพอดูไปดูไปโอ้มันเป็นลูกมันเป็นนาม รูปมันเป็นอย่างนี้นามมันเป็นอย่างนี้มันรู้อะไรได้มันคิดอะไรได้หรือว่านามพอมันมีรูปเอารูปไปทำให้เกี่ยวข้องกับนามอานามไปทำให้เกี่ยวข้องกับรูปรูปกับนามบางทีเนี่ยแต่ก่อนเรายังไม่รู้มันเบียดเลียนกันมันไม่เป็นธรรมต่อกัน ปัญหาเกิดขึ้นกับรูปก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นกับน้ำปัญหาเกิดขึ้นกับน้ำก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นกับรูปแต่ก่อนพอเรามาเห็นเข้าจังเกงโอมันเป็นกองรูปกองน้ำที่มันเกี่ยวข้องด้วยกันมีสติมีสติเข้าไปเห็นอาการที่เป็นของรูปอาการที่เป็นของน้ำธรรมชาติที่เป็นกองของรูปธรรมชาติที่เป็นกองของน้ำ เป็นระเบียบกองลูกกองน้ำเป็นระเบียบเป็นทำต่อกันสนับสนุนไปเกิดประโยชน์ทำดีได้สําเร็จละความชั่วยได้สําเร็จเพราะมันไมน่ลูกไม่น้ำแต่ก่อนนี่ทำช่วยได้สําเร็จเพราะมันไม่ลูกไม่นาำเป็นทุกข์ได้สําเร็จเพราะมันไม่ลูกไม่น้ำความโกรธก็ได้สําเร็จเพราะมันไม่ลูกไม่น้ำตอนนี้พระความ โปรดได้สํเ า, เ ร, าสเร็จเพราะมันเป็นรูปเป็นนามละความทุกได้สําเร็จเพราะมันเป็นรูปเป็นนามมันก็กลับปฏิบัติก็คือกลับเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันก็มั่นใจเข้าถึงความเท็จความจริงเห็นความเท็จก็ไม่ต้องไปถามใครคเห็นความจริงก็ไม่ต้องไปถามใครความเท็จความจริงมันบอกเกิดขึ้นกับรูปเกิดขึ้นกับนาม ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เกิดขึ้นกับลูกกับนามความไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นกับลูกกับนามความจริงก็คือความไม่จริงก็นี่ความจริงเป็นของไม่จริงเป็นความโกรธมันก็มีอยู่จริงแต่ว่ามันไม่จริงแต่ก่อนเราก็ไปเอาจริงกับของไม่จริงเวลามันโกรธก็แสดงถึงความโกรธเต็มที่ ทั้งทที่มันไม่จริงเราก็ไปถือว่าเป็นของจริงความทุกข์ทั้งทั้งที่มันไม่จริงก็ไปถือว่าเป็นของจริงของเท็จเอาไปเป็นของจริงของจริงเอาเป็นของไม่จริงเห็นความไม่โปรตความรู้สึกตัวเป็นของจริงไม่ใส่ใจเอาเที่งไปไหนก็ไม่รู้หรือว่ามันไม่มีมันไม่มีเอาไว้มันไม่ได้สะสมเอาไว้เหมือนเราไม่มีทรัพย์ไม่มีเงินไมีทอง อเราอาศัยความยากความลำบากความหิวความร้อนความหนาวสั่งงานสั่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจนเกิดโจรเกิดขโมยเกิดการข่มขืนก็เพิ่มความหลงเข้าไปเรื่อยๆปัจี้มันเพิ่มความรู้เข้าไปเรื่อยๆเห็นของเท็จของกริงที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามตามความเป็นจริง เมื่อเห็นอย่างนี้เขาเกิดพลังแห่งกระบวนฐานยุทธธรรมเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาศีลเ็ช่วยให้เกิดกามหนักแน่นมั่นคงสมรวมลงเองผู้มีสติสมัชัญญะก็ เ, เกิดการสมรวมอายตนะลงไปเองแม่แต่ได้ยินทางหู ได้กลิ่นทางจมกูกได้สัมผัสกับรสกับลิบล่นได้สัมผัสกับกายกับจิตใจที่คิดอารมณ์พรงแต่งต่อคนมีสติมก็สมรวมมันฝึกไปหลายๆทางนรอบๆไปได้หลายอย่างความรู้สึกตัวมันลอบมาทางไหนก็ลอบไปแล้วเหมือนแมงมุมที่มันขึงใยเอาไว้ อะไรมาสัมผัสทางไหนมันลอบโลมันก็ไปเกี่ยวข้องแล้วมันก็มาอยู่ตรงกลางตรงกลางใหญ่ของมันส่วนกลางที่จะต้องลอบโลความโลสึกตัวนนะมันก็เกิดการสํารวมอายตนะลงเองมั่นคงไม่หวั่นไหวพอตาพอหูพอูลพอรส พ, พอกินพอเสียงแต่ตาหูจะหมูกรดหลูกรดจินเสียง สร้างให้เป็นฐานความมั่นคงเพราะมันสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงก็หนักแน่นเป็นศิลป์ขึ้นมาศิลป์ก็ช่วยนะมันช่วยหลายพลังงานที่เกิดความเข้ามาร่วมกันเกิดกระบวนการยุติธรรมต่อกายต่อจิตได้เกิดความเป็นธรรมต่อกายต่อจิตต่อชีวิตเรา สมาธิก็หนักแน่นไม่งอนแง่นคอนแคลนม่น้ำหนักสติมีน้ำหนักเหมือนมีดม่น้ำหนักมีคมตัดความหลงก็ขาดไปเลยตัดความโกรธก็ขาดไปเลยสมาธิไม่หยาบทำลายความโลภความโกรธความหลงลไม่หยาบฉันอดไม่ได้ฉันอดไม่ได้ ฉ, ดไไดฉันทนไม่ได้ไม่มี เป็นความง่ายและความชั่วเป็นความง่ายทำลายความโกรธความโลภความหลงเป็นความง่ายเป็นกีฬาเป็นศินละปะเหมือนมีจอบใบดายหญ้าตอกจากตนน้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้ออกจากไร่มันไร่อ้อยที่เราปลูกเอาไว้มันก็เป็นของที่ทให้เกิดประโยชน์ กาทรทำลายความโลภความโกรธควา ม, ลวามล ห, าหางลงเป็นประโยชน์ให้เบาให้บางลงเป็นประโยชน์ต่อรูปต่อนามแต่ก่อนรูปนามเอามาผิดความโลภความโกรธความหลงพอมีสติแล้วดายออกให้ศีลให้สมาธิให้ปัญญางอกงามขึ้นไปเรื่อยๆเกิดในสงทันตาหลวงพ้นเพราะว่าเก่าๆหวงพ้นเพราะว่าเก่า ไม่มีอะไรที่จะถึงอกถึงใจเท่ากับละความชั่วทำความดีทำจิตบริสุทธิ์ได้ทำความหลงเป็นความรู้ถึงใจได้ทำความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เลยเป็นภาวะที่ถึงกิตถึงใจได้ทำความโกรธให้เป็นความไม่โกรธถึงอกถึงใจไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเมื่อโกรธก็ว่าไปตามความโกรธสะใจดีได้ด่ากันได้สะใจดี เวลาใดถ้ามันเป็นทุกข์ก็ขมคืนบุบพังเออก็อถึงใจได้สแสดงถึงความโกรธได้แสดงถึงความทุกข์ตัวจะว่าแล้วเขาก็เป็นความบันเทิงคำบันเทิงเนี่ยเขาพอใจบันเทิงในความโกรธโอใจที่อยู่กับความโกรธ พอใจที่อยู่กับความทุกข์พอใจที่อยู่กับความสุขก็จะว่าแล้วการสัมผัสกับความสุขความทุกข์มันกับความบันเทิงที่ทำให้คนหลงผู้มีสติเนี่ยมันไม่ไปเกี่ยวกับความบันเทิงอย่างนั้นมันสงบพระพุทธเจ้าจึงตัดกำนางราคะนางตันหานางอลดีที่เราเห็นภาพ ่อนพระพุทธเจ้าตัดสู้มีนางราคะนางตัณหานางอัลลีมาป้อนลำต่อหน้าเปลือยกายแสดงอะไรต่างๆทำให้เกิดการบันเทิงยินดีแต่พระพุทธเจ้าได้ตัดภาสิทธ์ออกไปว่านาทติสันติปรังสุขของสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่ไมความรู้สึกตัวความไม่ เป็นอะไรขับอะไรเนี่ยเป็นเป็นการตัดความบันเทิงเป็นชีวิตรุ่นล้วนไม่แบ่งเนี่ยเมื่อเห็นรูปเห็นนามมันจับเอามาตกมาแต่งอะไรที่มันไม่เป็นธรรมแต่งให้เป็นธรรมทั้งหมดเปลี่ยนทั้งหมดนะแล้วก็เป็นรูปจริงๆรูปนี่ก็เราอาศัยได้จริงๆน้ําก็อาศัยได้จริงๆริงรูปมาทำความดีก็ทําดีได้สําเร็จ เกิดเป็นศีลอยู่ที่รูปเกิดเป็นสมาธิอยู่ที่รูปเกิดเป็นปัญญาอยู่ที่รูปเกิดเป็นศีลอยู่ที่นามเกิดเป็นสมาธิอยู่ที่นามเกิดเป็นปัญญาอยู่ที่นามมาทำเอามาทำความดีได้สาเร็จผมมั่นใจมั่นใจโอ้มั่นใจแล้วชีวิตทั้งหมดในโลกคือการกระทำที่เอารูปเอานามมาทำดีมาละความชั่วมั่นใจปะเนี่ย จะเป็นบุญเป็นบาปเป็นอะไรก็ตามมันอยู่กับการกระทำล้วแต่ก่อนมันมากเหลือเกินชีวิตเราถูกแบ่งถูกฟันไปหลายอย่างจับต้นสายไปเหตุไม่ถูกพอพอเห็นรูปเห็นนามแล้วมันทำอะไรได้สำเร็จลูปตามก็ตามไปฉเฉลยจนถึงมรรคถึงผลน่แะ มรรคผลก็เกิดขึ้นกับรูปกับนามนี่ทำไมไม่รูปไม่นามมรรคผลไม่เกิดเห็นความหลงที่รูปต้องความหลงให้หมดไปมันเป็นผลอะไรที่เป็นเหตุทําให้เกิดทุกข์กันเนะมันคุ้ยเป็นเขีย่ยออกเพราะมันไม่เป็นธรรมต่อรูปไม่เป็นธรรมต่อนามมันคุยเขีย่ยออกเหมือนกับเราเขี่ยวอาหาร เอไปถูกกล้างถูกโดดมันคุยเคี่ยวออกมันไม่กลืนมันทำมาวิจยยักษ์มันหลายอย่างที่แรงสนับส น, นุนมันได้ความสมมูรณ์สมมูรณ์แบบชีวิตที่สมมูรณ์แบบสมมูรณ์แบบที่จะทําให้ไม่มีปัญหาสิ่งที่ทําให้เกิดปัญหาเนี่ยมีหลายอย่างสมบูรณ์แบบ พลังแห่งสร้างคุณธรรมหลายอย่างมีความอดทนมีสติมีความเพียรมีความเมตตามีสัจจะมีศีลมีสมาธิปัญญาหลายอย่างพลังแห่งสร้างให้เกิดความยุติธรรมต่อรูปต่อนามมากจริงๆแต่ก่อนเราไม่ไม่มีไมไม่มีสมัยก่อน นี่แต่พลังแห่งการสร้างรูปสร้างน้ําให้เกิดปัญหาตาหจจมูกเลี่ยงกายใจลูบรถกินเสียงอารมณ์ต่างๆความโกรธความโลภความหลงความรักความชังความยินดีความยินไล่มันไปเสียทางโน้นใช่ไหมครับไหลไปทางโน้นพอมาตั้งหลักใต้มันก็ไหลมาทางเหน็บอารมณ์สมบูรณ์ชีวิตก็เกิดความอารมณ์สมบูรณ์ในศีลในธรรมขึ้นมา นี่วิธีปฏิบัติธรรมวิชากรรมฐานมันเป็นอย่างนี้มันเป็นการสัมผัสที่ถึงอกถึงใจทำความดีได้สำเร็จละความช่วยได้สำเร็จชีวิตมันก็สำเร็จแล้วแล้วไปทำอะไรมันก็จะสำเร็จเหมาะแก่การงานแล้ววเน่เหมาะแก่การงานแก่หน้าที่ใช้อะไรก็ใช่ถูก พอเหมาะพอสมแล้วก็ไม่มีอะไรที่กระตือลือล้นที่จะมาบอกความจริงแต่ผูต้ตกคนชีวิตขอใช่ชีวิตในรูปทางนี้เนี่ยมันก็มันก็ไปทางนี้แบเนียถ้าได้พูดความจริงถ้าได้พาทมถ้าได้บอกถ้าได้แสดงออกขนขวายมาบอกมาสอนมา อะไรต่างๆเกิดขึ้นมาไปทางนี่ว่ะเนี่ยแต่ก่อนมันไปเข้าโลกเข้าพงยินดียินไล่อใจเสียใจสุขสุขทุกทุกเอททำไมเราจึงจะไปอยู่กับโลกแบบนั้นมันโลกแบบนั้นมันทับถมมันปกปิดพอมา ลู่เรื่องกรรมฐานล่วงพ้นภาวะเก่าข้ามล่วงไปแบบเ น, นก่ก็กระตือลือล้นที่จะมีกำลังมีศรัทธาเอ็มโดยความเมตตากรุณาแต่ก่อนอาจจะรักแต่พ่อแต่แม่แต่พี่แต่น้องบุทพญญยาสามีของตนนักข้าวรักของของตนพอมันเกิดจากนี่เคยมามันก็รักแม้กระทั่งเม็ดเห็นเม็ดทราย รักความเป็นธรรมรักทุกชีวิต อ, อย่างพาระเจ้าหรือมหากรุณาธิคุณมหากรุณาธิคุณผู้ที่มาเห็นรูปเห็นนามเี้เกิดอาการอย่างนี้เพราะว่ามันพ้นทุกข์พ้นยากมันพ้นความปัญหาต่างๆออกมาได้มันหลุดออกมาได้แล้วก็เห็นเราที่มัน เป็นยังไงก็เห็นคนอื่นเป็นอย่างนั้นเห็นคนอื่นเป็นอย่างนั้นมันก็มีสูตรันเดียวมันก็มีเท่านี้มันมีสูตรเรื่องเดียวเท่านี้มันไม่มีอย่างอื่นมันก็สรุปชีวิตจะเป็นคนชาติใดภาษาใดมันก็คือเรื่องเดียวจึงกระตือรือร้น ที่จะขนขวายขนส่งให้ปัญหาต่างๆออกจากรูปจากนามออกจากกายจา ก, กจิตของคู่ของคนเป็นการรีบด่วนสักหน่อยนึงเป็นการรีบด่วนแต่นั้นก็ยังทำไม่ทันทั้งที่ทำอยู่ก็ยังทำไม่ทัน ไม่ได้ช่วยหลายหลายอย่างชีวิตก็เลยรีบดวดรีบขนขวยรีบช่วยกันไปนี่เราจึงมาทิศทางของเราที่มาปฏิบัติธรรมก็คิดเหมือนเหมือนกันคิดเหมือนเหมือนกันทุกชีวิตนั่นแหละพะเราไม่รูปไม่นามเหมือนกันเราก็เคยหลงเราก็เคยรู้ เราก็เคยสุขล้วก็เคยทุกข์เราเคยรักเคยชังพอมาสร้างความรู้ศึกตัวนี่อันนั่นจะมาแบ่งเอามาแสงหน้าแสงหลังอันละมันจะมีประสบการณ์นั่นแหละมันจะมีบทเรียนการปฏิบัติธรรมมันมีข้อเปรียบเทียบกันอยู่มันไม่เหมือนกับไม่ได้สัมผัสเหมือนเราตกเบ็ดที่ไม่มีเยื่อ การตกเบ็ดไม่มีเยื่อไม่ใช่ลอยๆ อ, อยอยู่ในหน้าแมพันไม่ใช่มันมีของที่จะมาสัมผัสอยวเห็นความหลงมันก็หลงความรู้มันก็รู้พอทำลงไปมันเป็นการเป็นงานงานงานที่เราทำเนี่นมันก็เบาบางไปสร้างความรู้มันก็มีความรู้จริงๆมีกายอาวุธสัมผัสกับความรู้ก็สัมผัสได้จริงๆริงยง น, น ไม่ได้หลอกลวงใครให้มาทําลองดูมีความรู้สึกตัวเชียงไหมเราเห็นความหลงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมีไหมความหลงที่เกิดขึ้นกับตากับหูจมูกลูกรถกินเสียงมีไหมแล้วมันหลงหลายอะไรก็ตามมาเปลี่ยนความรู้สึกตัวได้ไหมแตาเมื่อเปลี่ยนได้แล้วก็พยายามเปลี่ยนไปเพียนตรงนี้แต่มันจะหลงแล้วหลงอีกก็เพียนรู้แล้วรู้อีก มันจะทุกข์แล้วทุกข์อยู่กับเพียรลู่สึบตัวล่มไปในความเพียรแต่มีความเพียรตรงนี้มันก็พ้นได้ต้นจากความหลงนานาหลายอย่างพ้นจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรจะล่วงความโกรธความโลภ ค, ความหลงไปได้เพราะความเพียรวิริยเยนะทุกขมะจติต จะล่วงพ้นความทุกข์ความยากลำบากไปได้เพราะความเพียรความเพียรคือการเจริญสตินี้ไปก่อนแต่มันล่วงตรงนี้ไปได้อันอื่นก็ค่อยล่วงไปละพันเป็นการเริ่มต้นซะก็ไปได้จริงๆนะก็จะไปทำงานทางานก็ทำการทำงานชอบที่เกิดจากผู้ ที่เกิดจากรูปจากน้ำที่พ้นปัญหาแล้วก็เกิดการงานชอบขึ้นมานี่คือจุดมุ่งหมายที่เรามาที่นี่ผมเองก็ประสงค์อย่างนี้พวกเราก็ประสงค์อย่างนี้ให้มาศึกษาของจริงแล้วก็สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครช่วยเราได้เราก็เป็นกันยานมิตร กัญญาณมิตรเนี่ยพาถึงมรรคถึงผลนะแต่ว่าถ้าใครช่วยเราไม่ถึงมรรคถึงผลถ้าเป็นเพียงกัญยาณมิตรเนี่ยพาให้ถึงมรรคถึงผลกัญยาณมิตรก็คือนี่แหละมาสร้างสติด้วยกันอย่างนี้มาบอกมาพูดด้วยกันแล้วก็เห็นนเดียวกันโอ้เพื่อนเรานั่งอยู่กติลังโนนก็คงว่วงุ่นบนเรา คนลนอนอยู่ตรงโ น, น้นก็อาจจะคิดกลัวเหมือนเราอาจจะคิดทุกข์เหมือนเราเหมือนกันสําหรับผู้ปฏิบัติโอ้หลวงพ่อเทียนอยู่กติหลังโ น, น้นโอ้หลวงพ่อเทียนเป็นครูของเราเนาะหลวงพ่อเทียนคงเห็นเรื่องนี้แหละเนาะหลวงพ่อเทียมคงผ่านเรื่องนี้ไปได้เนาะก็มีกําลังใจครูบาอาจารย์ที่นี้อีกเคยบอกเคยสอนเราโอท่านก็คงเห็นเรามาบอกเราโอ้มันก็จริงเหมือนท่านบอก เวลาใดมันหลงก็รู้สึกตัวสาท่านก็บอกโอ้ท่านก็รู้เรื่องนี่นาะอ๋อมองไปทางหลายหอย่างทางั้งแม่ครัวโอ้เขาก็ทําอาหารให้เรากินเนาะโอ้ยอดโยมเขาก็ลองจะใส่บาตรเราเนาะไปเป็นทบาทโปรดยอดโปรดโยมบางทีเขายังไม่ได้คิดที่จะใส่บาตรเพราะเห็นเราไปก็คิดถึงเป็นทบาทก็คิดเทนก้อนข้าวเอาข้ามาใส่บาตรโอ้เขาก็ได้โอกาส ถ้าเขาม่เห็นเราเขาก็ไม่ได้โอกาสโอ้มันดีโนาไม่ใช่เราไปขอทานเขาเราเดินไปเป็นธามาดไม่สวมรองเท้าโอ้เราก็เหินเราดีโนาแต่ก่อนเนี่ยรองเท้าอ่อนบอบบางพอเดินที่แรกเนี่ยวางวางรูปวางอง์น้ําตาร่วงนะพอเดินไปเดินมาก็เดินได้อืมแล้วก็ฝึกไป ฝนตกเปียกลงมาบ้างเออไม่เป็นไรหนาวบ้างร้อนบ้างเออเคยได้สัมผัสความยากเคยได้สัมผัสกับความสะดวกสบายเออเราก็ลุยได้ทั้งสองอย่างการลุยได้ทั้งสองอย่างมันเป็นความเข้มแข็งมันเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์นี่คือกันระยะนานิมิตไปวิ่งถาบก็ไม่ใช่เราคนเดียวเพื่อนก็เดินตามหลังเราไปเดินออกหน้าเราไปเราก็เจ็บเท่าเหมือนกันเพื่อนก็เจ็บเท่าเหมือนกัน เ, เพื่อนเดินจอกจอกแก่ๆเราก็เดินจอกจอกแก่ๆเกิดสนุกหัวล้อไปเลยไม่ใช่เราทุกคนเดียวเนาะนี่กันลยาณมิตรคัลยาณมิตรเนี่ยมันพาถึงมากถึงผลเหมืนสมัยครั้งพระพุทธเจ้าในเหล่าพระสาวกทั้งหลายที่อยู่ร่วมกั น, นขนไขยหุ่นอกคนใจ เวลาขบ้อยฉันก็ได้ฉันเหมือ น, อนกันอาหารวางไว้บนถ้วยบนชามลักษณะการฉันมีบาทมีช้อนไปตักเอาตักเอาอะไรเท่พอที่จะเลือกสำหรับสุขภาพร่างกายเรา่อาก็เลยสัตหามามาขอฉันข้าวต้มสักสองสามวันเนาะ